ข้างนอกพร้อมกันยังคนมาครบยังยังไม่ถึงเวลาห้านาทีพวกเราที่เข้ามาแล้วสำรวจตัวเองนะปิดเสียงมือถือหรือยังระหว่างฟังธรรมไม่ต้องมาไลายสดนะทางวัดไลยสดให้แล้วไม่ต้อง ลุกขึ้นมาถ่ายคลิปถ่ายอะไรไม่ต้องพวกเราก็เก่งนะหลวงพ่อปิดบัตไปนานวนนพวกเรายังอยู่รอดปลอดภัยกันอยู่ <c oughs> ยังมีเวลานะเราก็ภาวนาเลาไปครบแล้วเหรอครบแล้วก็เท้าที่นั่ง มีปัญหาอย่าส่งสีออกนอกนะเขามีปัญหาในการไล้สดพวกเราไม่มีปัญหาในการนั่งฟังที่นี่มันพวกเราไม่เสียผลประโยชน์ไม่ต้องกลุ่มใจ บางคนนะก็พอใจให้จองมาอย่างเงี้ยไม่ต้องวิ่งแย่งเข้าสล า, าเสร็จแล้วเนื้อบางคนก็มีคอมเมนต์ความคิดเห็นอะไรพวกนี้น่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้คิดอะไรก็ได้แต่เวลาทำงานจริง หลวงพ่อก็ดูว่าแบบไหนมันทํางานได้จริงแล้วไม่สามารถเซิฟทุกคนได้หรอกบางคนก็บอกว่าไม่ได้เล่นเน็ตนะตามนะที่หลวงพ่อบอกว่าไม่ให้เล่นเน็ตนะล้วจะจองได้ยังไงนะการฟังธรรมะทางอินเทอร์เน็ตนะันไม่ได้ห้ามนะห้ามเล่น งนะันเรามีอินเทอร์เน็ตเราก็ใช้เป็นเครื่องมือศึกษาธรรมะได้หลวงพ่อไม่ได้งี้เง่าว่าหลงโลกอยู่ไม่รู้ว่าโลกนี้มันเป็นโลกยุคไอทีไปแล้วในพวกเราเองบางคนอะเรียกร้องอย่างโน้นอย่างนี้รู้สึกให้จองทาง เฟซบุ๊กทางอะไรเนี่ยยังไม่ชอบนะอยากจะเข้ามาโดยไม่ต้องจองไม่แย่งเราบอกว่าจองแล้วไม่เป็นธรรมบางคนมันมือไวมันเขียนเร็วบางคนชื่อยาวแมมเขียนชื่อหวยจะเสร็จนามสกุลก็ยาวอีกส่งมาไม่ทันเขาอะไรอย่างนี้ก็เอร็ดหน่อยสนใจ สนใจที่จะตามข่าวสารของมูลนิธีเขาหน่อยบางคนไม่ได้ตามเฟซบุ๊กก็เป็นสมาชิกไลน์เขามูนิธีเขาก็าส่งทางไลน์แจ้งให้ทราบก็ทำได้ระบบนี้หลวงพ่อ ว, ว่ามันก็ยุติธรรมที่สุดเท่าที่จะทำได้ตอนนี้นะถ้าเราไปดูรายชื่อคนที่จองอะ เราจะเจอว่ากระทั้งน้องของคุณแม่ชีนะหลานคุณแม่ชีก็ต้องจองนะไม่ใช่อยู่ๆก็เดินเข้ามาพวกครอบครัวอาจารย์นะก็ยังต้องจองนะขนาดคนเหล่านี้เขาช่วยทำงานวัดตั้งมากมายเขาก็ยังทำตามกติกาไม่มาเรียกร้องอะไรพิเศษหรอกงั้นเราก็ สนใจก็จองเอาเดือนนี้จองไม่ได้เดือนหน้าก็จองอีกเดือนก็ได้จนได้แหละที่จริงจำนวนเดือนหนึ่งหร้อคนสำหรับสี่สัปดาห์อย่างเดือนนี้เจดรอยห้าสิบห้าสัปดาห์มันควรจะพอถ้าคนละครั้งที่ผ่านมาวันหนะึ่งสามสี่ร้อยมาซ้ำๆกัน ก็มาซ้ำไปซ้ำมาจริงๆจำนวนคนซึ่งเฉลี่ยกันมาฟังธรรมเนี่ยหกเจ็ดร้อยคนนี้พอเินนึงแล้วถ้ายังมาไม่ได้ก็มีให้ดูในที่ของตัวเองได้มีการไลฟ์สดให้งั้นมันพอสมควรแล้วละที่จะเซิร์ฟ พ, พวกเราพวกเราง่ายกว่าสมัยหลวงพ่อเยอะเลย สมัยหลวงพ่อสแสวงหาธรร ม, มะเนี่ยเที่ยวไปหาครูบาอาจารย์ขึ้นรถทัวร์ไปขึ้นรถไฟไปอะไรเงี้ยไปแล้วก็ต้องไปต่อรถอีกท่านส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในเมือง น, นี่หลวงปูดูลน่ยอยู่ในเมืองโง่งเ่ิ น, นอยู่ห่างๆต่อรถไปที่ต่อรถไปสุดทางแล้วก็ต้องไปเดินต่ออีกนะนะไม่มีรถเข้าไปองคก็อยู่บนภูเขาเดินขึ้นเขาไปเรียน ยากลําบา ก, กว่ารุ่นพวกเราเยอะนะไม่ใช่ขี้บน่นภาวนาเข้าให้ขยันภาวนาเข้าเราไม่ได้ลําบากอะไรถ้่าคนรุ่นก่อนรุ่นหลวงพ่อก็ง่ายกว่ารุ่นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่ออีกทีรุ่นนั้นท่านอยากไปหาหลวงปู่มัน่นท่านต้องเดินหลวงปู่มั่นอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เที่ยวเดินสแสวงหาติดตามไปเรื่อยๆมีบุญวาสนาก็เจอไม่มีบุญก็ไม่เจอหลงทิดหลงทางเข้าไป ประเทศอื่นก็มีนะบางองค์ตามหาหลวงปู่มั่นเดินเข้าไปถึงอินเดียก็มีนั้นท่านลำบากกว่าพวกเราเยอะพวกเราไม่ลำบากง่ายนี่บางทีง่ายเกินไปนะมันก็ไม่เห็นคุณค่าอย่างพวกเราเนะี่ยรู้สึกว่าเราฟังทำมาไว้ก่อนเดี๋ยวแก่ๆแล้วค่อยปฏิบัติหลวงพ่อบอกเลยนะว่าอายุเยอะขึ้นยิ่งภาวนายากขึ้น ถสติอะไรเนี่ยมันเลือนลางได้สมาธิมันก็ไม่ค่อยมั่นคงแล้วสมองมันเสื่อมไปเงินรีบภาวนาตั้งแต่อย่างแข็งแรงอยู่อย่าอ้างโน้นห้างนี้นะการภาวนาไม่ได้เบียดบงังเวลาทํามาหากินหรือเวลาดํารงชีวิตที่ไม่ผิดศีลธรรมหรอกมันกวนเรเฉพาะการทําผิดศีลธรรมเท่านั้นเองแล้วจริงๆธรรมะนะถึงอยู่บ้านเราก็มีธรรมะได้ อยู่ที่ไหนมันก็มีธรรมะได้ธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดธรรมะไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อธรรมะมันอยู่ที่ตัวเราเองสิ่งที่เป็นธรรมะแล้วก็แยกออกเป็นรูปธรรมกับนามธรรมพวกเรามีรูปธรรมไหมพวกเรามีนามธรรมไหมมันก็มีธรรมะมันอยู่ตรงนี้ต่างหากไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อบางคนก็น้อยใจอ่ะ จองไม่ทันน้อยใจแล้วเกินต่อไปนี้ไม่ปฏิบัติแล้วพวกนี้อ้างอ่ะถ้าคนอยากปฏิบัตินะจะเป็นจะตายไงมึงก็ปฏิบัติไอ้พวกไม่อยากปฏิบัติมึงหาข้ออ้างอย่างน้นอย่างนี้ไปนะหลวงพ่อไม่สนใจหรอกหลวงพ่อสนใจคนที่อยากปฏิบัติจริงๆไม่ได้หวังว่าคนต้องมาเยอะๆอะไรเงี้ยหาคนที่ภาวนาจริงๆะน่าสนใจกว่า วิธีเรียนธรรมะทำยังไงก็บอกแล้วว่าธรรมะอยู่ที่ตัวเองคือรูปธรรมกับ น, นามธรรมอยากเห็นธรรมะก็เห็นรูปธรรมนามธรรมเห็นกายเห็นใจของตัวเองไปนะมันก็เห็นธรรมะเพระธรรมะมันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ตัวเองนี้คอยที่มีสตินะระลึกรู้รูปธรรมระลึกรู้นามธนะรรมร่างกายมันเคลื่อนไหวรู้สึกนะมันคันนะว่าเการู้สึกเนี่ยพยักหน้ารู้สึก ค่อยรู้สึกไปอย่าให้จิตใจมันล่องลอยลืมตัวเองถ้ามันลืมตัวเองมันก็ลืมธรรมะจิตใจมันหนีไปล้จิตใจมันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจก็อยู่กับธรรมะพระธรรมะมันอยู่ที่ตัวเองนี่รูปธรรมของเราก็มีนามธรรมของเราก็มีทุกคนมีเท่าเทกันเราก็มีรูปเท่าเท่ากันมีนามเท่าเทกันทุกคนแหละ ก็พยายามใช้ต้นทุนที่เรามีมาพัฒนาตัวเองเราอยากรู้ธรรมะเราก็คอยระลึกรู้กายระลึกรู้ใจรู้ของตัวเองอย่าไปรู้ของคนอื่นรู้ของตัวเองเราลดละกิเลสได้ไปรู้กายรู้ใจคนอื่นมันเพิ่มกิเลสงั้นพยายามรู้สึกรู้สึกของเราไป ร้านั่งฟังหลวงพ่อก็อย่าใจลอย น, นะอย่าเม้ออย่าเพิง่งรู้สึกเองศัตรูที่ทำให้เราไม่สามารถรู้รูปธรรมนามธรรมรู้รา ก, กายรู้ใจของตัวเองได้นะั่นได้คือหลงหลงไปเผลอไปขาดสติจิตนีไปที่อื่นนะ สติเป็นตัวระลึกรู้กายระลึกรู้ใจของเรานะสติตันนี้เป็นสติปัฏฐานสติอย่างโลกโลกเราไม่ต้องพูดถึงหรอกขับรถไม่ไปชนเขาอะไรก็มีสติกินเหล้าทาให้ขาดสติแต่เก็กินน่สติโลกโลกสติสํหรับนักปฏิบัติเรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็คือสติที่ระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมของตัวเองเรียกว่าสติปัฏฐาน พระุธเจ้าท่านบอกนะว่าถ้ายังมีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่เนี่ยก็ยังมีผู้เข้าใจธรรมะรู้ธรรมเห็นธรรมบางท่านพูดถึงขนาดว่าถ้ายังมีคนเจริญสติปัฏฐานก็มีโอกาสมีพระอรหันต์ก็จริงมีโอกาสมีแต่ไม่ใช่เจริญสติปัฏฐานวันนี้เราจะเป็นพระอระหันต์ทุกคนไม่ใช่ถ้ายินรีเราแก่กล้าเราก็เป็นยังไม่แก่กล้าภาษาสมเมา งั้นพยายามเจริญสติปัฏฐานนะมีสติรู้ร่างกายมีสติรู้จิตใจของตัวเองไปนะลองขยับตัวซิลองขยับนะขยับอะไรก็ได้ลองรู้สึกขยับอย่างนี้รู้สึกไหมรู้สึกได้โดยไม่ต้องมองไหมหรือว่าต้องมองถึงจะรู้ว่าขยับมันรู้ด้วยใจนะขยับ่อรู้สึกนะรู้ด้วยใจ รูปตัวนี้มันยังไม่ใช่รูปแท้หรอกแต่อาศัยรู้ไปก่อนรูปที่เคลื่อนไหวเรียกวินยี่รูปอาศัยรู้ไปก่อนรู้ด้วยใจรูปบางอย่างรู้ด้วยตาคือสีรู้ด้วยตารูปบางอย่างรู้ด้วยหูคือเสียงรูปบางอย่างรู้ด้วยจมูกคือกลิ่นรูปกลิ่น รูปบางอย่างรู้ได้ลิ้นคือรูปรสรสนี่ถือเป็นรูปอย่างหนึ่งรูปบางอย่างรู้ได้ร่างกายอย่างความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวอะไรเงี้ยเนี่ยรู้ได้ร่างกายธาตุดินธาตุไฟธาตุลมรู้ได้ร่างกายรูปที่เหลือรู้ได้ใจ รูปที่รู้ได้ใจเนี่ยเยอะกว่ารูปที่รู้ได้กางอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยเราเห็นร่างกายหายใจอยู่เรารู้สึกไปร่างกายมันหายใจดูไปเรื่อยๆร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูเนี่ยคอยรู้รูปก็คือเราลึกรู้มีอะไรเกิดขึ้นกับรูปเพราะเราลึกรู้นี่เรื่องเรามี การเจริญสติปัฏฐานที่เรกกายานุปัสนาสติปัฏฐานเรารู้รูปคอยระลึกรู้ไปพอไปสติเราก็จะเข้มแข็งขึ้นพอรูปขยับนิดเสติเกิดเองที่เนี่นกมันเยอะข้างนอกมันอยู่ไม่ได้มันหนีมาอยู่ในวัดกันเยอะๆตัวก็อยากดังนี่มันทะเลาะกันมีอยู่สองฝูง เอไปเชิญมันไปเชิญมันไปที่อื่นเออไปแล้วจิตออกนอกไหมเออเนี่ยหัดอย่างนี้นะจิตนี้ไปแล้วพอ ร, รู้เอาเนี่ยหันซ้ายหันขวานะคอยรู้สึกเรียกว่าเราเจริญสติปัฏฐานเนะี่ยพยักหน้ารู้สึกเรียกว่าเราทําสติปัฏฐานอยู่ เป็นสติปัฏฐานในเบื้องต้นสติปัฏฐานมีสองขั้นขั้นแรกเป็นไปเพื่อความมีสติขั้นที่สองเป็นไปเพื่อมีปัญญานะขั้นแรกฝึกให้มีสติก่อนสติไม่มีอย่ายไปพูดถึงปัญญาเลย <Okay. S 1> ไม่มีสติก็ไม่มีศีลไม่มีสติก็ไม่มีสมาธิไม่มีสติก็ไม่มีปัญญางนะั้นพยายามทําสติปัฏฐานเพื่อให้มีสตินหันซ้ายหันขวาอะไรนะี่รู้สึกไป ลองยิ้มซีลองยิ้มนะไม่ต้องให้หลวงพ่อดูหลอกใส่แมสกอยู่แล้วลองยิ้มซียิ้มเมื่อกี้บอกให้ยิ้มแล้วพวกเราหัวเราะซีน่ะทําเกินคําสั่งตอนยิ้มนะอยู่ในหน้ากลางเรายิ้มรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มรู้สึกได้ไหมหรือต้องส่องกระจกถึงจะรู้ว่ายิ้มไม่จำเป็นรู้ด้วยใจขยับไม้ขยับมืออะไรเนะี้ยรู้สึกไป ฝึกให้เคยชินที่จะรู้สึกทาไมความรู้สึกตัวมันยากนักคนในโลกมันไม่ค่อยรู้สึกตัวที่ความรู้สึกตัวมันยากนักทำยากนักเพราะมันเคยชินที่จะหลงนะมันไม่เคยชินที่จะรู้สึกตัวธรรมชาติของจิตนะี่มันไหลไปตามความเคยชินย่็กหนุ่มนะนะที่กาลังพยายามขยับมือพยายามนวดไหานพยายามจะจับแต่ใจผิด ใจมันเพ่งอยู่นะทือๆอยู่นะมันไม่ใช่สักว่ารู้ว่าเห็นหรอกมันบังคับตัวเองอยู่นะอย่างนี้ปัญญาไม่เกิดเพราะมันเครียดตอนเครียดเนี่ยใจไม่มีสมาธิถ้าใจมีสมาธิจะมีความสุขมีความสงบะอย่างแย่ๆก็เป็นอุเบกขาะไม่สุขเลยก็อุเบกขาสบายเบาๆไม่ตึงไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อ ถ้าใจมีสมาธิที่ถูกต้องถ้า ใ, ใจเราทือๆแล้วเราพยายามจะดูรูปนะมือยังเกร็งเลยไม่ได้กินหรอกรู้สึกมันธรรมดาเนี่ยรู้สึกไป ม, มันไม่ได้ยากอะไรตอนนี้หายใจอยู่รู้สึกไหมถ้าหายใจแล้วรู้สึกไดียกว่าเราเจริญอาณาปานาสติอยู่ ถ้ยืนเดินนั่งนอนรู้สึกอยู่ได้ว่าเราเจริญอิริยาบถอยู่ในสติปัฏฐานอิริยาบถบัพะถ้ากระดุกกระดิกแล้วรู้สึกหยุดนิ่งแล้วรู้สึกเนี่ยเรียเราเจริญสมัมปชัญญะบพะในกายานุปัสนาสติปัฏฐานนีไม่ยากอะไรแค่คอยรู้สึกอย่าไปบังคับจนจิตมันเกลิงรู้สึกสบายๆนี่หลวงพ่อชอบอกให้ยิ้มมายิ้มหวานลองยิ้มซิยิ้มอีก ยิ้มไม่ได้เก็บเงินนะไม่เสียสตังยิ้มหวานๆแล้วก็รู้สึกหน้ามันยิ้มเรารู้สึกแล้วเวลาเรายิ้มนะเราจะค่อยๆสังเกตต่อไมดูทะลุเข้ามาถึงใจได้นะพอหน้าเรายิ้มแล้วเรามีความสุขขึ้นมาจริงๆนะเราเห็นใจมันมีความสุขนี่มันเข้ามาดูใจได้ฉนะนั้นพยายามรู้สึกนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกค่อยรู้สึกไป พอรู้สึกไปเรื่อยๆนานๆเนี่ยต่อไปสติมันจะเกิดจิตมันจะจําสภาวะได้อย่างมันกระดุกระดิกอะไรเนียมันคอยรู้สึกเรื่อยๆต่อไปเวลาเราเผลอแล้ว เ, เราเกิดกระดุกระดิกขึ้นมาสติจะเกิดเองมันจะเกิดรู้ขึ้นมาเอ้าเผลอแล้วนี่นจะรู้ได้เองงั น, งนพยายามมีสตนะิอยู่กับกายของเราหรืออยู่กับเวทนา หรืออยู่กับจิตที่เป็นกุศลอกุศลก็ได้นี่ถ้าหัดใหม่ๆดูนมามธรรมไม่เป็นก็ดูรูปธรรมไปเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูเห็นร่างกายคูนี่คูแขนเหยียดแขนอะไรเนี่ยใจเป็นคนดูอย่างนี้ก็ใช้ได้ต่อไปเราหัดอย่างสมมติเรหัดอย่างนี้เรื่อยๆแล้วเรารู้สึกนะรู้สึก แต่อย่าไปจงใจนะแนะหมบอกว่ามีสติอันนั้นไม่ใช่ลนะอันนั้นมีโลภโลภอยากปฏิบัติก็โลภนะสติไม่เกิดออกกิเลสมันเกิดซะแล้วงั้นรู้สึกไปสบายๆเนะี่ยรู้สึกรู้สึกไปเนะมื่อก่อนตอนหลวงพ่อฝึกใหม่ๆนะหลวงพ่อมีพัดประจำตัวนะ อยู่ที่ไหนก็มีพัดนะเดี๋ยวนี้ก็เพรยังวางไว้ให้นานๆพัดทีหนึ่งเพราเดี๋ยวนี้มันชินกับการรู้สึกตัวแล้วเมื่อก่อนอาศัยมีพัดเนี้ยขยับแล้วรู้สึกไปเรื่อยรู้สบายสบาๆรู้ได้จิตใจที่สบายสบายไม่ใช่รู้ได้ใจที่เครียดนะอย่างเนี้ยไม่ได้เรื่องครับสติไม่เกิดหรอกมันเครียด พัดไปแล้วแหมอากาศ ร, ร้อนๆพัดแล้วหมมันสบายนะตรงที่เราสบายใจถ้าเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหมด้วยจิตใจที่สบายสๆอันนั้นดีนะอันนั้นดีนะรูปแขนเราใจลอยรู้สึกไหมะนะรู้สึกไหมพอหลวงพ่อพูดด้วยเลยกลิงเลยใจแข็งทื่อๆขึ้นมาเนยอันนี้เรารู้ด้วยตัวเราเอง ทำไมหลวงพ่อรู้ไม่ใช่ปฏิหารคนที่เป็นครูมองลูกศิษย์ก็รู้ไส้ลูกศิษย์นั่นแหละไม่ใช่เรื่องอีที่ปฏิหารอะไรเรื่องธรรมดาอย่างครูบางคนเห็นหน้าลูกศิษย์ก็รู้เลยเด็กคนนี้เดือ้อเด็กคนนี้มีปัญหาทางบ้านอะไรเงี้ยไม่เห็นจะต้องปฏิหารตรงไหนเลยเนี่ยพัดไปแล้วสบายรู้สึกไปรู้สึกไปฝึกไปเรื่อย แล้วพอพัดไปพัดไปแล้วเผลอเผลอไปมันพัดไปเรื่อยๆนะแต่ใจมันหนีไปที่อื่นแล้วมันไม่ได้รู้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวอันนี้ไม่ตรงวัตถุปรนะสงค์ที่เราเจริญกายานุปัสนาเนี่ยเรามีสติเคลื่อนไหวเรารู้สึกเคลื่อนไหวเรารู้สึกแต่เคลื่อนไหวแล้วก็เผลอไปที่อื่นนะหรือนับโทรศัพท์คุยไปพัดไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เรื่องหรอกนะไม่ได้เจริญสติปัฏฐานแล้วนะขาดสติ ไม่ใช่อยู่ที่รูปแบบนะอย่างหลวงพ่อพัดเขาบอกหลวงพ่อบอกเมื่อก่อหลวงพ่อพัดเนี่ยเป็นการฝึกสติแล้วพวกเราพัดแล้วไม่จะเป็นสติด้วยกันนะไม่เป็นหรอกนะอยู่ที่ว่าเราพัดแล้วเรารู้ตัวไหมถ้าพัดเราใจหนีไปก็ไม่มีสตินี่พยายามฝึกก็บางคนไม่ชอบลูก้กายเราก็จะลิกสติปัฏฐานด้วยการรู้ใจตัวเอง อย่างใจเรามีความสุขหรือใจเรามีความทุกข์ไม่ใช่เรื่องยากที่จะรู้ทุกคนรู้ได้ขดเนี้ใจของเราสุขหรือใจของเราทุกข์หรือใจของเราเฉยเฉยไม่ทุกข์ไม่สุขนะรู้ไหมขณเ น, นี้ใครใจมีความทุกข์บ้างยกมือซิไม่ทุกข์เลยนะผมอัศจรรย์มากเลยนะบางคนหน้าตาหน้านิ่คิ้วขมวด นะใจไม่ได้มีความสุขหรอกนะคนไหนมีความสุขบ้างยกมือซิอ๋อเมื่อกี้ไม่มีความสุขมีความทุกข์นะสองคนมีความสุขสามคนเอาใครใจเป็นอุเบกขาบ้างยกมือซิไม่มีสักคนพวกที่เหลือไม่มีเวทนา <laughs> ถ้าดูตัวเองตรงนี้ไม่ออกนะ ดูจิตลำบากแล้วนะการดูจิตดูใจตัวเองเนั้นจิตมีความสุข ก, ก็รู้จิตมีความทุกข์ก็รู้จิตไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ น, นีง่ายที่สุดลนะเป็นดูจิตอย่างง่ายที่สุดแล้วในใจเราเนี่ยมันจะต้องมีเวทนาเกิดขึ้นเสมอนะจิตทุกดวงต้องมีเวทนาเกิดร่วมด้วยเสมอดังนะั้นเวทนาที่เกิดร่วมกับจิตได้มีสามแบบนะ มีความสูกมีความทุกข์มีความเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์จิตทุกดวงต้องมีเวทนาอันใดอันหนึ่งไอ้ที่ไม่มีเวทนานะเนี่ยก็ดูไม่เป็นถ้าดูเป็นมันจะมียังเราสุขหรือเราทุกข์เราดูตัวเองออกไหมตรงเนี้ยรู้สึกยากไหมว่าตอนนี้เราสุขหรือเราทุกข์ไม่ยากหรอกไปหันดูเข้านะถ้ายังไม่เป็นเอาไปหันดูเขา้ามัง่ายๆ่หรือบางคนขี้โมโห ถ้าคนไหนขี้โมโหเราก็เจริญจิตตาของศาสนาไปจิตโมโหขึ้นมาจิตโกรธขึ้นมรารู้ทันจิตไม่โกรธก็รู้ทันจิตโกรธก็รู้ทันไปเรื่อยๆฝึกไปอย่างเนี้ยต่อไปสติอัตโนมัติจะเกิดพอจิตมันมีความรู้สึกแปลกปลอมขึ้นมานะมันงุนหงิดอะไรนิดเดียวนะสติเกิดเองเลยมันจะรู้ได้ด้วยตัวองหลวงพ่อสมัยเป็นโยมก็ฝึกอย่างนี้เหมือนกัน รู้ทันความรู้สึกของตัวเองเรื่อยๆแลจิตมันโกรธขึ้นมาก็รู้จิตมันโลบขึ้นมาก็รู้จิตมันหลงขึ้นมาก็รู้รู้ไปรู้มาเลยรู้ว่าตัวเราเนี่ยเป็นพวกขี้โมโหหลวงพ่อเป็นพวกขี้โมโหดูสไตล์การพูดก็รู้ละพวกขี้โมโหนี่จะพูดเร็วไม่มาพูดเป็นยังไงจ้าสบายดีไม่จ้า จ้าจ้าจ๋าจ๋านีพวกโลภถ้าพวกหลงจะอีกแบบน ะ, ะเชิญพรญาติโยมพุทธบริสัทธ์อย่งนฟังแล้วซึมแต่หลวงพ่อดูอพูดรวดเร็วเห็นไหมเคลื่อนไหวเขารวดเร็วนะทำอะไรไม่มีงุ้มงำเพราะาใจมันเป็นพวกโทสะจริต หลวงพ่อมาหันดูจิตดูใจหลวงพ่อเพราะว่าจิตเราเนี่ยมีโทสะเกิดขึ้นทั้งวันเลยเจออันนี้ก็หงุดหงิดเจออันนี้ก็รําคาญะเจออันนี้ก็ไม่ได้อย่างใจนะเนี่ยคอยอ่านไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็เห็นหงุดหงิดแล้วโกรธแล้วถ้าเห็นไม่ทันแทนที่จะหงุดหงิดก็กลายเป็นโกรธนถ้าโกรธยังรู้ไม่ทันแล้วถูกความโกรธครอบมั่นก็โกรธจนหน้าเขียวหน้าเหลือง หน้าแดงโมโหโโสมหน้ามืดไปเลยเนี่ยมันมีดีกลีของมันนะโกรธจนแทบเป็นแทบตายเลยเราทีแรกต้องโกรธแรงๆก่อนเราถึงจะเห็นนี่พอโกรธแรงๆเราเห็นบ่อยๆเข้านะต่อไปโกรธเล็กๆเราก็เห็นะเริ่มโกรธแล้วเริ่มโกรดแล้วก็เห็นแล้วต่อไปนักขัดใจเล็กๆก็เห็นแล้วอย่างหลวงพ่อตอนฝึกนะเราเห็นจิตเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธฝึกอยู่อย่างนี้ย จนกระทั่งสติมันเร็ววันหนึ่งเปิดประตูบ้านออกไปนะแสงแดดกระทบเปลือกตากระทบนิดเดียวทอนนั้นนะเห็นในใจนิ่งหงุดหงิดนะโปรดกระทั่งแสงแดดที่มากระทบตาเนี่ยสติมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะมันเห็นได้เร็วขึ้นเรืเร่อยๆนะพาะเราก็ลองไปทำดูนะหรืออย่างเวลายุงมามั่วโหนะยุงมานะม อยากตีให้ตาย อ, ยา ต, ต, ายอยาตีให้ตายก็กลัวผิดศีลนี่ยังดีว่ากลัวผิดศีลอยู่ถ้าไม่มีศีลนะถ้าตีมันให้ตายมันมาเกาะแขนเรานะตกมาแนละ้วแม้มันหนีทันมันบินไปน่นเราวิ่งตามมันไปตบมันให้ได้ให้เคยเป็นบ้างอาคาตยุงใครเคยเป็นมีไหมเนี่ยเยอะเหมือนกันเนะี่ยเริ่มดูเป็ดแล้วะเริ่มดูเป็นล้ ว, รลวกระทั่งยุงนะมันกัดเราทีหนึ่งนะอาคาดมากเลยนะ แขนนี้ต้องชําระตามตามตบมันไม่ได้ถ้ามันหนีไปได้เนาะโมโหตัวเองนะซุ่มซ่ามจริงงุ่มง่ามจริงยุงก่อแขนอยู่นะตบไม่ทันอย่างเงี้ยตามไปตบก็ไม่ทันนั้นไม่ไหวเนี่ยเราค่อยๆฝึกตัวเองนะค่อยรู้ทันความรู้สึกของเราเองนะความรู้สึกของเราโกรธขึ้นมาเราก็รู้ไปโลภขึ้นมาเราก็รู้บางคนขี้โลบ เจออะไรก็อยากได้หมดเลยนะเห็นเสื้อก็อยากได้เสื้อเห็นกางเกงก็อยากได้กางเกงเห็นรองเท้าก็อยากได้เห็นมือถือนะก็อยากได้อีกเห็นอะไรก็อยากได้เห็นเมียชาวบ้านยังอยากได้เลยใจมันโลภเราหัดคอยรู้ทันใจที่โลภของตัวเองทีแรกต้องโลภเยอะๆห่อนถึงจะเห็นมาต่อไปเนะี้ยแค่อยากดูเนะี่ยก็โลภแล้วนะได้ยินเสียงนกอะไรวะ อยากดูใจมันมีโลภะเกิดขึ้นแล้วมันอยากแล้วอยากได้อารมณ์ทางหูอยากฟังให้ชัดๆแล้วก็อยากเห็นได้ยินเสียงแล้วอยากเห็นนี่หันไปดูเนี่ยใจมันโลภและนี่ต้องละเอียดนะเราถึงจะเห็นเป็นโลภะที่ละเอียดขึ้นไปอีกแต่ถ้าโลภะหยาบๆเช่นอะไรอยากโน้นอยาก น, น, ากนี่อะไรที่รุนแรงนะั้ะ พันใหม่ๆก็เห็นของอยากไปก่อนต่อไปก็เห็นกิเลส ท, ที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะอย่างทีแรกต้องโกรธแรงๆก่อนถึงจะเห็นต่อมาขัดใจเล็กๆก็เห็นแล้วนะหรือทีแรกหัดต้องโลภแรงๆก่อนนะถึงจะรู้แล้วต่อมาพอหัดเรื่อยๆนะโลภนิดเดียวก็เห็นแล้วแค่อยากได้ยินเสียงอยากได้เห็นรูปนะอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รส อยากกระทบสัมผัสทางกายอยากคิดนึกทางใจอยากหาเรื่องสนุกสนานอะไรเงี้ยมันอยากทั้งนั้นอยากปฏิบัติก็อยากนะอยากปฏิบัติก็อยากงี้เวลาเราอยากปฏิบัติเราจะลงมือบังคับตัวเองทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติแล้วทาไงจะปฏิบัตินะจะเริ่มบังคับตัวเองบังคับบังคับกายให้เข้าที่บังคับใจให้เสื่องซึมมีสองพวกนะพวกหนึ่งบังคับใจให้ซึมซึม พวกหนึ่งบังคับใจให้เคร่งเครียดแข็งแข็งทื่อๆนะืะอ น, นี่ไม่ได้ผลหรอกไม่ได้ผลหรอกมันทำตามอยากไม่เห็นเพราะฉะนั้นอย่างเราอยากปฏิบัติรู้ว่าอยากเลยแล้วลงมือนั่งไปนั่งอย่างเนี้ยนั่งอยู่แล้วเนี่ยรู้สึกไปแค่รู้สึกเท่านั้นนะอย่างบางคนแล้วเกาเกามันคันก็อยากเกาตอนคันนะใจลอยอยู่แต่ว่า มันรู้ว่าขันนะมันรู้หน่อยๆว่ากําลังคันอยู่แล้วสติไม่เหมียไม่เห็นว่ามันกําลังคันที่ชัดเจนนะรู้สึกครึ่งๆกลางๆนี้กาลังดูอะไรอยู่แล้วมันคันๆเนี่ยมันเก่าอัตโนมัติเราไม่รู้หรอกว่าจิตมันทํางานไปหลช็อตแล้วงั้นอย่างถ้าเราสติเราเร็วขึ้นนะมันขันเนี่ยเรารู้แล้เออร่างกายเนีมันคันนะมันอยากเก่ามันรู้ว่าอยากละ เก่าอยู่เห็นร่างกายมันเก่าเก่าไปแล้วรู้สึกมันมากเคยไหมคันแล้วเก่าล้อมขี้เก่ายิ่งคันแล้ยิ่งเก่ายิ่งมันยิ่งมันยิ่งเก่าะยิ่งเก่าไปเก่ามาหนังถลอกเลยใครเคยเป็นไหยเก่าแมมเก่าแล้วมันมากเลยนี่กิเลสนะราคาแทรกแล้วไม่เห็นหรอกแต่พว่าจะเห็นตัวนี้ได้ต้องฝึกให้ชํานาญก่อนทีแรกเห็นของหยาบหยาบก่อนต่อมาเนี่จะเห็น มันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเจอทางละเอียดจริงๆเน่ราจะรู้เลยทุกความคิดของเราเนี่ยมักจะมีกิเลสซ่อนอยู่ข้างหลังทุกคําพูดของเราเนี่ยมักจะมีกิเลสซ่อนอยู่ข้างหลังทุกการกระทำของเราก็มักจะมีกิเลสซ่อนอยู่ข้างหลังเนี่ยเราเห็นได้ละเอียดยิบเลยนะอย่างนี้ถ้าเราเห็นถึงตรงนี้นะคํำพูดของเราความคิดของเรานะก็จะไม่ผิดศีลผิดธรรมคําพูดของเราก็ไม่ผิดศีลผิดธรรม การกระทําของเราก็ไม่ผิดศีลผิดธรรมดังนั้นเราคอยรู้เท่าทันอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็รู้โลภเกิดก็รู้โกรธเกิดก็รู้ฟุง้งซ่านใจลอยอะไรไปก็รู้หากรู้เรื่อยๆต่อไปพอเรารู้ทันกิเลสชั้นนี้ชํานานแล้วเนี้ยนะสมาสังกปะจะเกิดขึ้นนะสมาสังกปะจะเกิดขึ้นก็คือการคิดเนะี่คิดถูกต้อง คิดไปด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงคนในโลมคิดไปด้วยความโลภคิดไปด้วยความโกรธคิดไปด้วยความหลงนี่เราค่อยๆหัดแต่หัดที่แรกยังไม่เห็นตรงนี้หรอกโกรธแรงๆแล้วค่อยรู้โลภแรงๆแล้วค่อยรู้แค่นั้นก็ยังดีหลงไปชั่วโมงแล้วรู้ก็ยนะังพอหน้าอิานดูอยู่นะถ้าหลงเช้ายันค่ำยังไม่รู้เลยไม่ไหวแล้วล่ะเธอตายเธอก็ไปอบายแน่นอนนะ โอกาสจะไปเอาบายสูงมากเลยเพราะจิตถูกโมหะครอบอยู่ทั้งวันถ้าไม่ได้ไปทำชั่วอื่นมันมีโมหะอะไรอยู่ก็ไปเป็นสัตน德拉ฉานที่เจ้าของเลี้ยงดีถ้ามีกรรมชั่วอื่ น, น, นก็ไปเป็นสัตว์ที่ลำบากหรือไปเป็นสุรกายไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์นรกอะไรเนี้ยก็แล้วแต่กรรมแล้วแต่กิเลสที่เราสะสมไว้ การที่หลวงพ่อสอนวันนี้นะเป็นเรื่องของการฝึกเจริญสติปัฏฐานนะรู้สึกกายก็ได้รู้สึกที่ใจเราก็ได้รู้สึกในกายนะ่ยร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกเนะ น, นี่ยตอนเนี้แมงวันมันมาฟังธทำบนหัวหลวงพ่อเพราะที่นั่งไม่มีนะกางยี่นยึดหมดแล้วมันไม่มีที่นั่งพินะยามะเกาะ ถ้าเราโมโหให้มาเราก็จ้องจ้อง <c oughs> นะ <c oughs> บางทีแกล้งทำเป็นใจบุญนะใจบุญเห็นมันมาแล้วนะทําเป็นไม่เห็นนะแต่สะบัดนะไปดูเนี่ยมานยาของเราเยอะนะแต่ละคนอนะไปดูเรียนรู้ตัวเองอย่างที่เราเป็นจริงๆนะิงรู้ลงไปในรูปเนี่ยร่างกายนี้หายใจออกร่างกายนี้หายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอน ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งคอยรู้สึกหรือจะรู้จิตใจนะจิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์จิตใจไม่ทุกข์ไม่สุขเขารู้สึกเอาหรือจิตใจรอบจิตใจไม่รอบจิตใจโกรธจิตใจไม่โกรธจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจไม่ฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยก็คอยรู้เอาจิตลังเลสงสัยฟังแล้วงงจะเริ่มปฏิบัติยังไงรู้ว่าสงสัยเนี่ยฝึกไปอย่างเนี้ย ทีแรกก็รู้ของหยาบหยาบต่อไปจะรู้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะเจอทั้งจิตมันเคลื่อนไหวทํางานอะไร น, นี้เดี๋ยวเราก็จะเห็นแล้วตรงนั้นอ่ะต่อไปเราจะเห็นนะไสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคําพูดสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการกระทําเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลส่วนใหญ่จะเป็นอกุศลถ้าเรารู้ถันแล้วเนี่ยมีสัมมา สังกป่าแล้วสัมมาวาจาจะเกิดขึ้นเองนะคำพูดของเราเนี่ยเมื่อใจเราไม่ได้คิดตามกิเลสแล้วคำพูดของเราก็ไม่เป็นเครื่องมือของกิเลสสมากกัมมันต์ตาคือการกระทําของเราก็ไม่เป็นเครื่องมือของกิเลสนะการดํารงชีวิตของเราเลี้ยงชีวิตของเรานะก็ไม่เป็นไปเพื่อสนองกิเลสนะเนี่ยค่อยๆฝึกตัวเองศีลของเราก็จะสมบูรณ์ขึ้นมานะ แล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆใจเราไปค่อยตั้งมั่นเด่นดวงขึ้น เ, เรื่อยๆเจริญสติเต็มที่น ะ, จะเจริญไปเรื่อยๆใจมจะมีสมาธิมั่นคงขึ้นนั้นสัมมาสติเนะี่ยที่สมบูรณ์นะจะทำให้สัมมาสมาธิสมบูรณ์ขึ้นมานะงั้นในมรรคมีองค์แปดนะมันเรียงลำดับนะจากการฝึกของเราสิ่งที่ฟังหลวงพ่อพูดเนะี่ยก็จะได้รู้ ว่าสิ่งที่เราควรทำนั่นคืออะไรอันนี้เป็นสัมปชัญญนะเป็นสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นนะอย่า้เรารู้แล้วเร า, เราควรจะดูกายดูใจตื่นบ่อยๆก็นะาหัดดูไปเรื่อยๆต่อไปเราจะรู้ทันสิ่งที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมทางกายวาจาใจของเรานะแล้วต่อไปคําพูดการกระทําการดําริชีวิตของเราเนี้ยจะสะอาดหมดจดนะพอถึงตรงนั้นแล้วเนี่ย เวลากิเลสเกิดนะเราจะยอมไม่ได้เราเห็นมันเปนของโสกโปกเวลากุศลเกิดใจมันยินดีพอใจก็รู้ทันใจเนี้ยกิเลสจะค่อยๆลดลงกุศลจะค่อยๆเจริญขึ้นเรามีความเปลี่ยนชอบนี่เรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาวายามะคือเพี่ยนละกิเลสที่กําลังมีอยู่เพลี่ยนปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดนะไอ้เพียนเปี่ยนเนี้ยนะ ด้วยการมีสตินะหลวงปู่มั่นท่านบอกว่ามีสติคือม uh ีความเพียรขาดสติคือขาดความเพียรนะเนี่ยค่อยๆฝึกไปพอสัมมาวายามะของเราดีนะสติของเราก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆเพราะเราขาดสติก็เพราะกิเลสมันหลอกลากเราไปที่อื่นนะพอเรากุศลเจริญขึ้นอกุศลลดลงเรื่อยนะสติปรฏฐานของเราก็ยิ่งเข้มแข็งขึ้น พอเข้มแข็งเต็มที่แล้วต่อไปนะสมาสมธิจะเกิดอาสัมาสมาธิเกิดแล้วเนี่ยสมาธิตอนที่สมาสมาธิเกิดเนี่ยเจ็ดตัวแรกมรรคเจ็ดตัวแรกไม่ใช่หายไปนะยังอยู่นะนี่พอมีสมาสมธิเนี่ยมันจะเป็นที่รวมขององค์มรรคทั้งเจ็ดที่เหลือรวมลงเป็นหนึ่งจะเกิดพลังงานมหาศาลขึ้นนะขับเคลื่อนจิตเนี่ยปฏิวัติจิตไปสู่อริยมรรค มรรคผลนี้กเกิดขึ้นตรงที่สมาสมาธิของเราบริบูรณ์แล้วแต่ถ้าเป็นวิชาสมาธินะไม่ประกอบด้วยสมาธิฏิไม่ประกอบด้วยสัมมาสังกัปปะการดํารีชอบไม่มีสัมมาวาจาสัมมาอินคามัณฑะสมาชีวะสัมมาวายามะเลยไม่มีมันไม่ใช่สมาธิที่ดีไม่มีกําลังที่จะให้เกิดมรรคผลเพราะฉนั้นจอยากให้มีกําลังเกิดมรรคผลเราทำอย่างที่หลวงพ่อสอนนี่แหละค่อยๆฝึกไป มีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใ จ, รกใจเร้ได้ๆไปเดี๋ยวมันมละเอียดขึ้นเองแหละทีแรกก็รู้หยาบๆยาไปก่อนเป็นอย่างนี้ทุกคนแหล ะ, อะพอสมควรแก่เวลานะต่อไปให้ส่งกันบ้านเชนิญหมายเลขสามค่ะยืนขึ้นค่ะคำถามคือฝึกสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไม่ทราบว่าที่ทำอยู่เป็นสมถะหรือวิปัสสนาคะอย่ยคิดมากที่ฝึกอยู่ก็ดีอยู่แล้ว ไปฟื้อีกไม่ต้องไปคิดมากหรอกว่ามันเป็นอะไรนะเวลาเราภาวนา จ, จริงเราไม่ไปนั่งคิดออกสมถะหรือวิปัสนาจิตมันเดินของมันเองอันนี้สำหรับคนที่พอทำได้แล้วนะถ้ายัางทำไม่ได้เนี่ยจงใจปฏิบัติอยู่เนี่ยต้องรู้ทันว่าที่ทำอยู่เนี่ยสมถะหรือวิปัสนาแต่ถ้าทำได้อย่างนี้แล้วเนี่ยรู้ไปเดืด่อย ตอนเนี้ใจมันหนีไปคิดรู้ว่าใจนหนีไปคิดเนี่ยรู้ไปเลยเลยไม่ต้องสนใจเราว่าตรงที่รู้ว่าจิตหนีไปคิดเนี่ยสมถะหรือวิปัสสนาอะไรไม่ต้องไปสนใจมันหรอกแล้วก็อย่าไปห่วงวิปัสสนามากวิปัสส น, นะนานี่ยนานๆเกิดทนะีไม่ได้เกิดตลอดเวลาหรอกส่วนใหญ่อย่างเก่งนะจิตก็ทรงสมาธิอยู่นะนานๆมันก็ปัญญากเกิดจิตมันเดินวิปัสสนาทีหนึ่งไปทํากรรมฐานต่อนะ แล้วก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปจิตมันหลงไปไปทำตัวนี้ให้เยอะๆที่ฝึกอยู่นะ่ะดีแล้วละ่ะฝึกถูกแล้วอย่าคิดเยอะเอาคนต่อไปหมายเลยห้าค่ะปัญหาหนึ่งคือจิตไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานค่ะจึงขอแนวทางภาวนาของหนูในตอนนี้และต่อต่อไปค่ะที่ภาวนาตอนนี้ดีกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนในีที่คิดว่าจิตตั้งมั่นจิตถึงฐานนะเพ่งเอาไว้ทั้งนั้นอะ นะเป็นจิตที่ทรมานตัวเองเป็นอตัตตากิละมะฐานยโยกนี่พอเราปล่อยเนี่ยขั้นแรกหลังจากที่เราเพ่งมานานเนี่ตอนที่ปล่อยนยีมันจะฟุ้งซ่านอย่าตกใจฟุ้งซ่านเราก็มีกรรมฐานของเราอยู่นะอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ทําไปเรื่อยๆไม่ได้หวังว่าจะสงบนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโ ท, ทำไปเรื่อยๆแล้วไม่ค่อยสงบเองแหละ นะพุดโธไปทีแรกก็หายใจเข้าพูดยังไม่ทันจะออกโทรเลยหนีไปแล้วนะหนีไปครึ่งชั่วโมงโอ๋อรู้กลมาพุดโธใหม่หายใจใหม่นะต่อไปพอมันหนีนะมันจะรู้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นสติมันจะเร็วขึ้นพอมีสติรู้ทันเนี่ยสมาธิมันก็จะสะสมเพราะทุกครั้งที่มีสติรู้สภาวะถูกต้องเนี่ยสัมมาสมาธิที่เป็นคณิกาสมาธินะีจะเกิด สมาธิเป็นขนาขณะ น, นี้เป็นขนาขนาเนี้พอเกิดทีขึ้นทีขึ้นนะมันจะเหมือนเรารู้สึกตัวได้ทั้งวันนั่นสมาธิเราจะดีขึ้นจิตเด่นดวงขึ้นมางั้นที่ทำอยู่ตอนนี้จเจริญขึ้นนะไม่ใช่แย่ลงนะดีแล้วไปทาอีกหมายเลขสิบค่ะช่วงที่หยุดงานที่ผ่านมาน่อเหล็กนี่มันบางช่วงที่หยุด<ป>งา น, นงที่ผ่านมา ฟุ้งซ่านค่ะรบกวนหลวงพ่อขอคําแนะนําค่ะฟุ้งซ่านมันก็เรื่องธรรมชาติใจของเรามันชอบฟุ้งซ่านเราก็อยู่กับเครื่องอยู่ของเราไปเรื่อยๆมันไม่ได้ฟุ้งซ่านอย่างเดียวบางทีมันก็กังวลขึ้นมาดูออกไหมเนี่ยมันมันฟุ้งซ่านแล้วใจมันกังวลอ่ะยิ่งกังวลยิ่งฟุ้งซ่านเพราะว่ามันมีปัญหาะปัญหายังไม่หมดอ่ะยังไงมันก็กังวล ถ้ามันยังกังวลอยู่มันก็ฟุ้งซ่านต้องคิดหาทางออกว่าจะทํำยังไงดีเพระนั้นเป็นเรื่องปกตินะงั้นเราค่อยรู้เท่าทันเด้อใจมันกังวลขึ้นมาก็รู้ใจมันกังวลขึ้นมาก็รู้เล่นมันตั้งแต่ต้นต่อนี่นะพอใจมันกังวลแล้วเรารู้รู้รู้ใจมันไม่กังวลแล้วเดี๋ยวมันค่อยสงบเองแหละนนะัดูที่ต้นเหตุมันต้นเหตุมันคือความกังวลใจดูออกไหมตัวเนี้ยเออนะ อ่ะต่อไปหมาเลขสิบเจ็ดค่ะสิเจ็ดตั้งแต่ต้นปีหกหนึ่งฝึกกับผู้ช่วยสอนท่านบอกติดเพ่งปัจจุบันยังเพ่งอยู่หรือไม่มีอะไรต้องปรับตรงหรือไม่คะ่ะรู้เปล่าว่าเพ่งหรือเปล่าอ่ะถ้าเราเพ่งนะใจมันจะแน่นๆใจมันจะอึดอัดตอนนี้เพ่งน้อยลงแล้วรู้สึกไหมมันสบายขึ้นรู้สึกไหมพยักหน้าอยู่รู้สึกไหม แต่กี้ไม่รู้สึกหรอกนะมารู้สึกตอนหลวงพ่อบอกนะพยายามฝึกเข้านะที่ฝึกอยู่นี้ใช้ได้นะดีกว่าแต่ก่อนนะเราไม่ได้เพง่งตะบีตบันเพ่งอย่างแต่ก่อนแล้วนะแต่ว่าตอนที่เราเลิกเพ่งใหม่ๆมันจะฟุ้งซ่านนิดหน่อยนะไม่ต้องตกใจฟุ้งซ่านเราก็ทํากรรมฐานเราไปเดี๋ยวมันก็หายเองแหละที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดี หมายเลขยี่สิบค่ะหนูปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อโดยตั้งใจรักษาศีลทำรูปแบบอย่างน้อยส0มสิบนาทีและพยายามรู้สึกตัวระหว่างวันปีที่ผ่านมานี้รู้สึกว่ามันเหมือนเดิมไม่มีการพัฒนาพิจารณาแล้วว่าน่าจะไม่มีอะไรผิดอยากให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะขอบคุณค่ะมันยังเพ่งอยู่ ใจมันยังไม่ได้ปล่อยให้มันทำงานอิสระจริงๆขณะนี้เพ่งรู้สึกไหมแต่ตรงนี้มันเอเรอนะเพราะว่ามันตื่นเต้นก็นเลยเพ่งมากกว่าปกตินิดหน่อยใจถ้อยังเพ่งอยู่เนี่ยก็เราก็รู้นะว่ามันเพ่งพยายามรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นอ่านใจตัวเองให้ออกนะต่อไปใจก็จะค่อยสะอาดหมดจดมากขึ้นมากขึ้น ขนาดนี้ใจมันสบายกว่าเก่าดวอกไหมใจมันว่างใจมันสบายสมาธิมันก็ดีขึ้นนะค่อยๆฝึกไปสิ่งเหล่านี้ต้องสะสมไม่ใช่ทำวันสองวันเดือนสองเดือนหรอกหลวงปู่เทศท่านเคยสอนนะบอกว่ากรรมฐานเนี่ยเขาทำกันตลอดชีวิตนะถึงจบกิจแล้วท่านยังปฏิบัติอยู่เลยแต่ปฏิบัติเป็นเครื่องอยู่งั้นอย่างสติปัฏฐานเนี่ย พวกเราหัดนียเจริญสติปัฏฐานนะเพื่อให้มีญาณทัศนะที่ถูกต้องเพื่อได้เห็นความจริงนะแต่พอเรามีญาณทัศนะถูกต้องแล้วนะบรรลุมรรคผลแล้วเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยท่านก็ยังเจริญสติปัฏฐานเป็นเครื่องอยู่นะเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพราะฉะนั้นการเจริญสติรู้กายรู้ใจเป็นของที่เขาทากันทั้งชาตินั่นแหละครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้ดงั้นเราอย่าไปรีบร้อนว่า ทำเราต้องได้นั้นทำแล้วต้องได้นี้นนในเวลาเท่านั้นเท่านี้อันนั้นเป็นความโลภมันจะทำให้เรายิ่งช้าใหญ่เรามีหน้าที่ทําเหตุคือเจริญสติไปผลมันจะเป็นยังไงไม่เกี่ยวกับเราแล้วผลมันเกิดเองนะทเหตุให้สมควรผลมันก็สมควรใจยังฟุ้งซ่านอยู่นะ ร, รู้ทันทํากรรมฐานไปเรื่อยเราใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจเคร่งเครียดก็รู้ฝึกตัวนี้ให้มากๆ ฝึกพื้นฐานตัวนี้ให้สำคัญนะสำคัญมากๆฝึกให้บ่อยๆใจเครื่องเค่ก็รู้ใจหลงไปก็รู้เนี่ยฝึกไปแล้วมันจะดีกว่านี้ตอนนี้สมาธิมยัง ไ, ไม่พอหมายเลขยี่สิบเอ็ดค่ะได้ฟังหลวงพ่อและมาที่วัดร่วมปีแต่ในทางปฏิบัติจริงนั้นทำได้น้อยมากอยากให้หลวงพ่อแนะนำว่าปฏิบัติในทางใดถึงจะถูกจริตตน ในตอนนี้สวดมนต์และพยายามนั่งสติรู้สึกว่าดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะค่ะตลอดทั้งวันก็รู้สึกตัวอยู่เนืองเนืองตอนหลวงพ่อเทน้ำร้อนเนี่ยลงกี่รอบเออถ้าเห็นอย่างนั้นจะใช้ได้ การฝึกนะคอยรู้ทันใจมันเศร้าหมองรู้ว่ามันเศร้าหมองนะใจมันเป็นยังไงก็รู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆอย่ารู้แล้วก็อยากพว่าจะต้องดีต้องสุขต้องสงบนะมันเศร้าหมองมันไม่สงบมันไม่สบายใจอะไรเนี้ยรู้อย่างที่มันเป็นไปนะคอยรู้คอยดูไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะเห็นความรู้สึกทั้งหมดนะทั้งสุขและทุกข์ทั้งดีและชั่ว เป็นแค่ของที่ถูกรู้ถูกดูได้เห็นอย่างนี้ปนไปเรื่อยๆทุกอย่างไม่มีตัวเราต่อไปมันจะเห็นอย่างนั้นพื้นของจิตนะมันไปดูอนัตตาไว้ดูอะไรๆก็บังคับไม่ได้อะไรๆก็บังคับไม่ได้ัดูตัวนี้บ่อยๆทำได้ไหมตัวนี้นั่นหละเราเมองกับตัวนี้เราก็ดูตัวนี้หละเดี๋ยวมันค่อยเจริญหอก ที่มันทําไม่ได้เพราะเราหวังผลเราหวังผลใจเราไม่มีความสุขในชีวิตเรามีปัญหาเราอยากให้มันไม่มีเราอยากให้ใจเราสบายนีอันนี้ใจเราโลภเราหวังผลงานสติไม่เกิดสมาธิไม่เกิดแต่ถ้าเราทําแบบไม่ได้หวังผลนะใจไม่สบายก็รู้ว่าไม่สบายใจสบายรู้ว่าสบายอย่างเงี้ย ใจมีกิเลสรือว่ามีกิเลสใจสบายไม่มีกิเลสก็รู้ไปเนี้ยก็รู้แล้วมันจะได้อะไรก็ช่างมันถ้าวางใจได้อย่างเนี้ยการพัฒนาของใจมันจะเร็วแต่ถ้าทำดยหวังผลนัล้นเราจะรู้สึกว่ามันช้าตลอดเวลาเลยเพราะอะไรเพราะใจเรามันอยากมันก็อยากได้ผลเร็วๆมันจะรู้สึกช้าอันไหนที่เราอยากได้มากๆเราจะรู้สึกต้องรอนานอันไหนที่เราเฉยๆ นะทำยังทำงานไปนะอยากให้เงินเดือนออกเร็วๆอยากได้เงนนะินทำงานแต่ละวันแต่ละวันนะมีแต่ความกลุ่มใจนะเพราะเงินเดือนยังไม่ออกยังไม่สิ้นเดือนแต่ถ้าทางานแล้วเราก็มีความสุขอยู่กับงานไปนะแป๊บเดียวเงินเดือนออกแล้วเนะเป็นตัวอย่างให้ฟังนะถ้าเราหวังผลนะมันจะรู้สึกชา้าถ้าเราไม่ได้หวังผลเราทำเหตุไปเรื่อยๆไม่รู้สึกช้าหรอก ที่หนูรู้สึกช้าเพราะหนูอยากพ้นทุกเร็วๆไปดูเอาตัวนี้แหละหมายเลขห้าสิบแปดค่ะเมื่อสิงหาคมปีหกหนึ่งได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อ <c oughs> หลวงพ่อให้กันบ้านให้ดูจิตไปได้เลยและปล่อยให้จิตทำงานทุกวันทำในรูปแบบและเจริญสติดูจิตในชีวิตประจำวันจิตพลากจากอารมณ์ได้ดีขึ้น ในวันที่ใช้ความคิดมากๆจิตฟุ้งบ้างแต่กลับมามีสติรู้ที่ลมหายใจและคำบริกรรมก็ตั้งมั่นขึ้นมาได้เห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายไม่ใช่เราได้เป็นบางครั้งบางครั้งก็ใช้โยนิโสมนานสิการแล้วมีปัญหาอะไรนะนี่เหมือนมาเล่าให้หลวงพ่อฟังเฉยๆเนาะหนูเราไม่ได้เป็นปัญหานะขณะนี้เราเพ่งอยู่รู้สึกไหม ออถ้ารู้สึกก็ใช้ได้นะถ้าจิตเป็นอย่างนี้มันจะไม่เดินปัญญาแต่ตอนนี้มันตื่นเต้นมันก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะพยักหน้ารู้สึกของคุณนะถ้าอยากให้สมาธิเพิ่มดีวันนี้รู้สึกร่างกายเพิ่มขึ้นนะเอากายมาช่วยนิดหนึ่งเพราะเราเนี้ยทำงานที่ต้องคิดเนยเยอะแล้วใจมันจะไม่มีแรงนะแรงมันจะไม่พอนันอาศัยนระ่างกายมาช่วย นะอย่างยืนเดินนั่งนอนอะไรเนี่ยคอยรู้สึกไปเลยหายใจออกหายใจเข้าคอยรู้สึกเหมือนที่คนพูดตะเคี้ยวว่าธรรมานาปนาัสสตร์นะแล้วมันก็จะมีสมาธิดีขึ้นนี่เราก็เพิ่มพลังของสมาธิตัวนี้ขึ้นนะใช้ลมหายใจก็ได้ใช้ยืนเดินนั่งนอนก็ไดนะ้ใช้การเคลื่อนไหวหยุดนิ่งก็ได้จะเป็นกำลังห น, นุนกำลังเสริมให้การดูจิตของเราเนี่ยเฉียบคมขึ้น เพิ่มตัวนี้ขึ้นหน่อยสมาธิเราดีขึ้นการปฏิบัติไม่จะราบเรื่นไปได้เร็วขึ้นนี่เราทำงานที่ต้องใช้ความคิดเยอะใจมันก็เลยไม่ค่อยมีกําลังดูได้ดูได้แต่ไม่ค่อยมีแรงเะนั้นพยายามอาศัยร่างกายมาช่วยเย่าว่าแต่โยมเลยพระมาอยู่กับหลวงพ่อนะหลวงพ่ อ, อยังให้ดูร่างกายเลย ร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุด น, นิง่งรู้สึกกลยไปเรื่อยๆใจก็มีกําลังมากขึ้นมากขึ้นพอใจมีกําลังมากขึ้นเนี่ยพอจิตขยับก็ยืย่นเคลื่อนไวนิดเดี๋ยวก็เห็นแล้วละงั้นสมาธิของเราดีเราก็จะเห็นจิตของเราได้ชัดเจนขึ้นไม่งั้นมันก็ดูไปอย่างนั้นนะก็เห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นแต่การเห็นนะ่ะไม่มีพลังพอเพราะใจเราอย่างฟุ้งอยู เอากายมาช่วยรู้สึกกายบ่อยๆแต่ไม่ได้เพ่งกายนะรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายไปแล้วสมาธิเราเพิ่มเราจะเห็นจิตได้ชัดเจนขึ้นคนสุดท้ายนะคะหมายเลขห้าสิบค่ะฟังคลิปหลวงพ่อจาก YouTube ภาวนาในรูปแบบเช้าเย็นรู้ลมและพุทธโธ ระหว่างวันดูจิตที่เคลื่อนออกไปคิดอขอหลวงพ่อเมตตาให้กันบ้านค่ะนั่นแหละที่ทํามานั่นแหละกันบ้านไม่ทําบีกนะทํามาได้ดีละจิตก็มีพัฒนาการรู้สึกไหมดูออกไหมว่าใจเราเดี๋ยวนี้กับตะก่อนไม่เหมือนกันใจเดี๋ยวนี้มันรู้นะเนื้อรู้ตัวได้ดีขึ้นโปร่งเบาได้ดีขึ้นไม่ได้หนักแน่นอึดอัดดี่ไปฝึก อ, อีก ที่ทำนาน่ถูกแล้วมันยังไม่พอเท่านั้นแหละกาทำให้พอไม่ได้แบบว่าทำให้มากๆชั่วโมงนะทำให้พอหมายถึงสะสมของเราไปเรื่อยมีสติตรงที่มันพอเนี่ยมีสติตั้งแต่ตื่นจนหลับนะั่ะคือพอของมันเองเราตอนนี้ก็ทำเหตุปฏิบัติไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันนถ้ามันก็ค่อยพัฒนาขึ้น ใจมันเบาไปนิดหนึง่งดูกายเพิ่มขึ้นหน่อยเวลาดูจิตอย่างเดียวนี่จิตมันเบาใจมันจะล่องลอยง่ายเราก็ช่วยมันนิดมันรู้สึกร่างกายเพิ่มขึ้นหน่อยอยังทำงานบ้านเนี่ยกวาดบ้านถูบ้านเยนะรู้สึกร่างกายไปช่วยทำให้จิตมีพลังมากขึ้น การที่เราคอยรู้ร่างกายเนะี่ยเราเจริญกายคตาสติมีสติอยู่ในกายได้สมาธินะมีสมาธิดีขึ้นนะการดูจิต ด, ดูใจก็จะดูได้ง่ายขึ้นนะหมดแล้วเลือหมดแล้วก็ดีนะหลวงพ่อเสียงแห้งพอดีช่วงที่ผ่านมานี่แรกหลวลงพ่อจะเปิดวัดตั้งแต่เดือนก่อนแล้วะ ก็ดีเป็นอมาพรึกปากเบียวไปเลยนะตาตกปากเปียวรักษาหมอพระฟังเข็มให้ก็หายเร็วหน่อยทีแรกจะเปิดวัททดตั้งแต่เดือนก่อนแล้วล่ะหลวงพ่อวางแผนการทำงานเลยต้องมาใช้เดือนสิงหานี้งั้นเปิดตั้งแต่กรกฎาแล้ว มีมารผจญคือสังขารร่างกายแม่อำนวยนี่พวกเราอย่าประมาทนะเราบอกเรายังแข็งแรงเรายังไม่เจ็บป่วยไม่แน่ครูบาอจารย์เจ็บป่วยอ่ะตัววันนี้ครูบาอจารย์หายากนะไม่เหมือนว่อสามสิบสี่สิบปีก่อนครูบาอจารย์มีมากมาถึงวันเนี้หายากแล้ว งั้นรีบพอนาตั้งแต่ยังมีโอกาสอยู่ติดขัดขึ้นมายังมีโอกาสมาถามไม่งั้นต่อไปต้องพึ่งตัวเองแต่พึ่งตัวเองถ้าหลักเราแม่นเรากพึ่งตัวเองได้อย่างหลวงพ่อ พ, อพอนานากับหลวงพู ด, ดุลภาวนาท่านสอนให้ดูจิตนะไปดูผิดอยู่สามเดือนไปบังคับจิตให้นิ่งให้ว่าง กลับไปหาหลวงปู่หลวงปู่บอกทําผิดแล้วไปบังคับจิตให้ไปดูจิตไม่ได้ไปปรุงแต่งจิตก็เลยไปดูจิตเห็นจิตมันปรุงแต่งทั้งวันเลยเดี๋ยวมันก็ปรุงสุขเดี๋ยวมันก็ปรุงทุกข์เดี๋ยวมันก็ปรงุงดีเดี๋ยวมันก็ปรงุปร ง, ปรงโลภโกรดหลงรู้ทันมันไปเรื่อเรยรู้ได้ใจที่ตั้งมั่นและเป็นกลางะรู้อยู่สีเดือนหลวงปู่ท่านก็รับรองนะว่าหลวงพ่อช่วยตัวเองได้แนละ้วรู้หลักแล้ว นี่หลวงพ่อเนีอาศัยหลักที่ครูบาอาจารย์สอนนี่แล้วมาสังเกตตัวเองหลวงพ่อใช้โยนิสโสมนสิการนมากกัลยาณมิตรคือครูบาอาจารย์เนี่ยนานๆจะได้เจอทีเดือนหนึ่งจะได้ไปหาหลวงพ่อพูดครั้งหนึ่งสามเดือนสี่เดือนเนี่ยจะได้ไปหาหลวงพู่ดุลหรือหลวงพู่เทศหลวงปู่สิมมาหลวงตามหาบัวอะไรเนี่ยหลายๆเดือนจะได้ไปครั้งหนึ่ง งันเวลาที่เหลือเนี่ยเกือบทั้งหมดนะอย่างเดือนหนึ่งเจอหลวงพ่อพูดครั้งหนึ่งอนะ่ะอีกยี่สิบเก้าวันนะเราไม่ได้เจอครูบาอาจารย์หลวงพ่อใช้การสังเกตตัวเองเอาทาอย่างนี้แล้วกุศลเจริญหรือทําอย่างนี้แล้วอกุศลเจริญน่ะสังเกตตัวเองไปทําอะไรแล้วกิเลสงอกงามมันนั้นไม่ใช่หรอกทําอะไรไปแล้วกุศลเจริญขึ้นมาศีลดีขึ้นสมาธิดีขึ้นนะเห็นปัญญามี ความเห็นถูกเห็นรูปเห็นนามเห็นไกลเห็นใจเป็นไตร ล, ลักษณ์ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยแสดงว่าเราเดินถูกทางหลวงพ่อใช้ตัวเนี้ยโยนิสงฆ์นสิการนะวัดตัวเองวัดการปฏิบัติของตัวเองแล้วประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยมันจะมีผลงานแล้วเราทำทุกวันไม่เลิกถึงเดือนหนึ่งนี้ไปส่งกันบ้านกับหลวงพ่อพุทธนะช่วงเดือนนี้ผมภาวนาอย่างนี้อย่างนี้ มีผลเป็นอย่างนี้อย่างนี้นถูกหรือผิดนะถ้าผิดขอเมตตาพ่อแม่ครูอาจารย์ช่วยบอกด้วยถ้าถูกแล้วให้ครูบาอาจารย์บอกว่าจะทํอยังไงต่อไปอีกทนะ่านส่วนใหญ่ท่านก็จะบอกว่าทำถูกแล้วให้ไปทำอีกนะถ้าท่านพูดอย่างนี้นะมสีสองช้อยสองประเด็นหนึ่งพนานาได้ท่านเห็นว่าถูกแล้วท่านเลบอกให้ไปทาอีกอีกพวกหนึ่งพวกสอนไม่ไหว พวกที่ท่านสอนไม่ไห ว, วก็ไปทําเพอไปอะไรอย่างนี้แต่ที่หลงพ่อบอกวันนี้ไม่มีชนิดหลังนี่นะที่หรวงพ่อบอกให้ไปทําอีกไม่ใช่อยู่ในกลุ่มหลังในเป็นกลุ่มที่พอจะเดินไปได้ละค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆต่อไปแล้วก็พัฒนาจะสังเกตตัวเองไปทําอย่างนี้แล้วมันสนองกิเลสในว่าอันนี้ไม่ใช่ละทําอย่างนี้แล้วเนี่ยอยากอยากภาวนา ไม่อยากทํามหะกินแล้ววันๆอยากนั่งสมาธิอย่างเดียวให้พ่อให้แม่เลี้ยงอะไรเงี้ยไปดูให้ดีอะไรหลักดันให้ขิดอย่างนี้ส่วนใหญ่กิเลสนะอยากบรรลุมรรคผลอยากดีอยากเต็มหรือขี้เกียจขี้เกียจแล้วก็ไม่อยากทํามหะกินอ้างว่าจะเวลาไปภาวนาอะไรเงี้ยจริงๆบอกแล้วว่าการภาวนาไม่ได้กินเวลาทำธรรมะกินหรอกธรรมากินของเราไป ก็ค่อยๆฝึกมาเราไปอาศัยการสังเกตตัวเองให้มากช่วยตัวเองให้มากเชื่อคนอื่นให้น้อยเนี่ยมีคนมาเล่าให้หลวงพ่อฟังเมื่อเมื่อวานนี้เองนะไม่เชื่อหมอดูทางอินเทอร์เน็ตเนะีเขาสอนเรื่องแก้กรรมให้แก้กรรมอย่าง น, น้นแก้กรรมอย่างนี้เรียนกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่เคยสอนเรื่องแก้กรรมเลยเพราะพระพุทธเจ้ า, าไม่เคยสอน กรรมมันแก้ไม่ได้มันทําไปแล้วท่านสอนให้ทํากรรมใหม่ที่ดีนะเพื่อเจือจางอิทธิพลของกรรมเก่าที่ไม่ดีนะหรือกรรมเก่าที่ดีของเรามีอยู่แล้วเราทํากรรมใหม่ที่ดียิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นเนี่หลักของกรรมแบบชาวพุทธไม่ใช่ไปแก้กรรมโดยการทําวิธีโน้นวิธีนี้ถูกเขาหลอกนะแล้วทุกวันเนี้คนมันเล่นวิชาสะกดจิตเยอะนะ สะกดมันเล่นคุณใสเล่นอะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่มนะีคือการสะกดจิตเหมือนที่ลัทธิฟูตินมันสะกดจิตจนราชวงศ์โรมันนับล่มสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ไม่มีนะมีในประวติศาสตร์ก็มีเพราะงั้นอย่ยเที่ยวร่อนเร่หาที่พึ่งที่อื่นนะพึ่งตัวเองให้มากพุทธเจา้าก็สอนอยู่แล้วให้พึ่งตัวเองตนเป็นที่พึ่งของตนเองฟังธรรมเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติ แล้วพึ่งตัวเองให้มากมาเรียนรู้ตัวเองให้มากอย่างโดนเขาหลอกโดนเขาครอบไปนี่นะมีเงินเท่าไหร่ก็เอายกให้เข้าไปหมดอนะมีอะไรก็ยกให้เข้าไปหมดเลยบางทียกตัวเองให้เข้าไปเลยนะถูกหลอกของผู้หญิงอนะผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็โดนหลอกนะไว้ใจไม่ได้หรอกอันตรายงันทางที่ดีเนะียภาวนาของเราอยู่บ้านเราเนี่แหละปลอดภัยที่สุด มีปัญหาให้มาเขาสังเกตตัวเอง้ที่ทําอยู่ช่วงเนี้ยศีล ส, สมาธิปัญญาดีขึ้นไหมหรือว่ากิเลสเยอะแยะกิเลสเยอะแยะก็สังเกตไปอีกที่กิเลสเยอะแยะเพราะสติเราดีขึ้นหรือเปล่านะหรือว่ากิเลสมันเพิ่มขึ้นอย่างจริงถ้าถ้าเห็นกิเลสเยอะแยะเพราะสติดีขึ้นอันนี้เราพัฒนานะเราพัฒนานในการปฏิบัติแต่ถ้าเห็นกิเลสเยอะแยะเลยนะเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัตินะ อันนี้ไม่ถูกแล้วทาไปเพื่อสนองกิเลสนะไม่ถูกแล้วฉะนั้นสำรวจใจของเราเอางช่วยตัวเองให้มากอย่าเชื่อสิ่งที่คนอื่นเขาบอกนะเชื่ออันโน้นดีอันนี้ดีแก้กรรมเงี้ยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนถ้ามันดีจริงพระพุทธเจ้าสอนแล้วทำไมท่านไม่สอนเพราะมันทําไม่ได้ไม่มีใครแก้กรรมใครได้หรอกกรรมมันใหญ่กว่าอย่างอื่นนะ ขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังหนีกรรมไม่ได้เลยนะกรรมกระทบถึงร่างกายท่านได้แต่ไม่กระทบจิตใจท่านกรรมให้ผลต่อร่างกายท่านในชาติสุดท้ายนี้ได้แต่ไม่สามารถให้ผลที่ทําให้ท่านไปเกิดต่อไปได้ทําไมท่านต้องถ่ายเป็นเลือดะเนี่ยท่านสร้างคุณงามความดีทั้งเยอะทําไมต้องถ่ายเป็นเลือดก็เพราะมีกรรมท่านก็อธิบายไว้ท่านเคยเป็นหมอวางยาคนอื่นเขาน แล้วรับกรรมถ้าแก้กรรมทำได้นะทำไมท่านจะไม่รู้ว่าท่านไปวางใครไว้ท่านก็ไปขอขเข้ามาเขาเสีแล้วก็สิ้นกรรมมันเป็นไปได้หรือมันเป็นไปไม่ได้อย่างโง่นะอย่างโง่แต่ขออภัยคนอื่นขอเข้ามาคนอื่นอันนี้ไม่ผิดนะไม่ได้ผิดอย่างเราล่วงเกินคนนี้ไว้นะ่ะไปขอโทษเขาอันเนี้ยอันนี้ถูกนะ น, นั้นเป็นสิ่งที่ควรทา แต่กรรมเนี่ยเมื่อทําแล้วต้องมีผลนะกรรมเดินซุ่มซ่ามความซุ่มซ่ามเป็นเหตุเดินไปหัวไปชนเสาเสาเหลี่ยมเรียมหัวแตกนะจะไปนั่งคิดกรรมนี้เกิดจากตีหัวใครมาในชาติไหนนะไปถามหมอก่อนหัวก็ยังเลือดอาบอยู่ยังไม่ยอมไปรักษานะเนี่ยกรรมเก่าเขาไม่ดีคือซุ่มซ่ามกรรมใหม่เขาไม่ดีโง่ ะสมควรให้เลือดไหลหมดตัวเ <Yeah. Yeah. S 1> งนี้งินต้องฉลาดนะในการดำานงชีวิตต้องฉลาดในการปฏิบัติ <Yeah. S 1> เดินอยู่ในร่องในรอยที่พระพุทธเจ้าสอน <Yeah. S 1> ออกนอกรูนอกรอยอะไร <Yeah. S 1> ไม่ได้ผลหรอก <Yeah. S 1> สมควรแกเวลานะสิบโมงพอดีไม่งั้นเดี๋ยวจะว่าหลวงพ่อโกง จะเรียกหลวงพ่อโกงไม่ได้นะสอนห้านาทีก็ถือว่ากำไรพวกเราแล้วนะเพราะหลวงพ่อสอนให้ฟรีนะอาเชิญกลับบ้านได้